นะต้องไปร้องคาราโอเกะต่ออีกนะยังมีไหมคาราโอเกะนี่มีอีกเหรอไม่เลิก อ, อีกเหรอหลายปีแล้วเ <c oughs> นื้อใจนะพอหมดอยากอันนี้แนละ้วมันไปอยากอีกอันหนึ่งสนองความอยากนะี่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มไม่อิ่มนะนี่เรียกว่ากามสุขาริกานิโยกนะหาความสุขไปทางตาหาความสุขไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวางไว้าหาความสุขไปเรื่อยๆ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 เรียนวิธีเจริญปัญญาแล้วเราได้ปัญญามาตัวที่จะทำให้จิตเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จริงๆคือตัวปัญญาพระพุทธเจ้าสอนนะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาคือความรู้เห็นที่ถูกต้องนะความรู้ถูกความเข้าใจถูกนั่นเองคือตัวสมาทิฏินั่นเององั้นถ้าถามว่าพวกเราชาวพุทธนะเราทาอะไรเราต้องการอะไรนะเราฝึกฝนตัวเองนะพัฒนาให้เกิดสมาธิฏิขึ้นมา ก็มีสมาธิที่แก่รอบในภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตจะปล่อยวางความยึดถือในรูปนามและจิตปล่อยรูปปล่อยนามนะปล่อยวางรูปนามรูปนามมีอยู่ก็ไม่ยึดอยู่รูปนามแตกสลายไปก็ไม่เป็นไรอย่างรูปนามมีอยู่แต่ไม่ยึดอยู่คือพระอราหันต์ที่ยังดำรงขันอยู่ท่านเหล่านี้ไม่ทุกทางทางใจเลยแต่ทุกข์ให้ในขันขันยังไงก็ทุกนะวันที่ขันแตกขันดับนะ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 เมื่อนั้นราสมุทรไทยเมื่อไหรแจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งพระนิพพานเมื่อนั้นแจ้งพระนิพพานเมื่อไหรเมื่อนั้นแหละขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคเงินรู้ทุกข์ราสมุทรไทยนะแจ้งนิโรธเจรจิญมรรคเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันเนกะิดจากการที่เรารู้ทุกข์แกมแจ้งนั่นเองจะราสมุทรไทยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคขึ้นพร้อมๆกันในขณะนั้นเลยจิตนะทั้งสของอริยสัตวนะ์ทําเสร็จในขณะจิตเดียวกันนั่นเอง เนื้อทำได้เพราะว่ารู้ทุกแจมแจ้งรู้ทุกแจ่มแจ้งนั่นแหละมีสัมมาทิฏฐิแล้วรู้ทุกแจ่มแจ้งแล้วก็ละสมุทัยได้ละสมุทัยก็แจ้งนิโรธได้แจ้งนิโรธได้ก็ เ, เกิดอริยมรรคเจริญขึ้นแล้วนีก็ทำทำกิจทั้งหมดสําเร็จแล้วรู้ว่าอะไรคือทุกอะไรคือสมุทยัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรครู้ตัวนี้รู้กิจ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 เคยเรียนไหมอันนี้เคยเรียนหมที่มีวนรอบส ม, มีอาการ12ทุกสมุทยนิโรธมรคมีสีใช่ไหมแต่ลันแต่ละอันแต่ล่านัา น, านนะเรียนสมอย่างเรียนว่าตัวมันคืออะไรนะเรียนสัจจยานกิจยานกิจยานกัตยานนะนี่น4คูณสมนะมีอาการทั้งหมด12 อ, อย่าง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 ที่ท่านไม่ต้องเรียนนอกนั้นต้องเรียนพวกเราหน้าตาแปลวลาอย่างนี้คงไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะสักคนเนาะต้องเรียนนะไม่ใช่พระปัจเจกด้วยหน้าตาเป็นแต่ปัจเจกบุคคลไม่ใช่ปัจเจกพุท ธ, ธนะต้องเรียนต้องฟังให้รู้วิธีปฏิบัตนะิวิธีปฏิบัตินั้นก็อยู่ในเรื่องของอริยสัจนั่นเองนะนะเราจะพัฒนาสมาธิฐิขึ้นมาปฏิบัตินั้นเพื่ออะไรเพื่อให้ได้สมาธิฐินะ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 เพงเนี <S <S <S ่ยคือการบังคับตัวเองสุดโต่งไปข้างบังคับล่ะนะงั้นจิตเนี่ยจะเวียงตลอดเลยสุดโต่งไปข้างหลงพอรู้ทันก็เวียงมาสุดโต่งไปข้างบังคับทําไงดีอยากเลิกบังคับอยากเลิกบังคับเป็นกิเลสอีกละให้รู้ทันว่าอยากเลิกนะบังคับอยู่ให้รู้ว่าบังคับอยู่ให้รู้ว่าทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นอย่าไปแทรกแซงมันนะรู้มันอย่างที่มันเป็นเรื่อยไปเลย จิตหลงไปสู่ความสุดโต่งในข้างหลงก็รู้ทันจิตสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองก็รู้ทันนะอันเนี้ไม่ยากพวกที่เข้าคอร์สนวันเนี้ลองให้พวกพี่เลี้ยงเข้าผ่าดนะูจะเห็นเลยเวลาเผลอๆพรอพ ร, รู้ว่าเผลอจะต่อด้วยเพ่งเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติเนี่ยจะมีสภาวะสามัญเผลอไปแล้วก็รู้แล้วก็เพ่งคนที่ไม่เคยปฏิบัตินะมีนเดียวเผลอแล้วก็เผลอแล้วก็เผลอแล้วก็เผลอ <c oughs>